ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายเรื่องปายาสิราชัญยสูตรซึ่งเป็นประสูตรที่เกี่ยวเนื่องกันมาโดยลำดับคือหมายความว่าเป็นประสูตรที่เน้นถึงเรื่องของกรรมกับเรื่องของสองสารวัตมีใจความโดยสรุปว่าพระกุมารกัศปะเทระ ในเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบทจนสืบถึงเสตปพร ะ, ะนิคมในเขตปกครองของพระเจ้าปายาสิประชาชนชาวเสตปพร ะ, ะนิคมได้ทราบเกียรติคุณของพระเถระว่าเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตมีความเฉลียวฉลาดก็ปรารถนาที่จะมาเฝ้า จึงในชักชวนกันมาเป็นหมู่พระเจ้าปา ญ, ญาสิได้ทอดพระเนตรเห็นทางช่องพระแกร์ขอรับสั่งให้มาดเลขไปสอบถามประชาชนว่าไปไหนกันเป็นขบวนคนเหล่านั้นก็แจ้งให้ทราบพระองค์ก็ขอให้รอก่อนท่านจะไปด้วยเพื่อจะได้สนทนาสอบถามปะนะกับพระธีระ เมื่อไปถึงแล้วก็ประชาชนที่ไปพบพระเถระได้แสดงอาการผิดแผกแตกต่างกันออกไปบางคนแสดงอาการเคารพนับถือด้วยการอภิวาทกราบไหว้บางคนเพียงแต่พนมมือบางคนก็บอกชื่อและโคดของตนบางคนก็ยืนเฉยๆ แต่สรุปแล้วก็คือได้เข้าไปเยี่ยมพระเถระด้วยกันพระเจ้าปายาสิได้หลังจากผ่านการสนทนากันแล้วก็ได้เรียนพระกุมรารกัตสปะเถระว่าพระพิจารณาเองนั้นมีความเห็นว่าโลกนี้ไม่มีโลกเกิดไม่มีสัตว์ที่ลอยเกิดไม่มีจนมีคนตั้งหลายกล่าวว่า พระจ้ปายาสิมีทิฏฐิอย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้พระกุมารากัสปะก็ได้ตั้งเป็นรูปของคำถามให้คิดว่าขอให้ท่านจงมองดูพระจันทร์ราชิต์ดวงดาวทั้งหลายนั้นมีอยู่หรือไม่ท่านก็บอกว่ามีอยู่พระกุมารากัสปะก็กล่าวว่าพระเหตุนี้เองโลกอื่นจึงมีอยู่ แต่พระเจ้าปญญาสิก็คงยืนยันว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีสัตว์ที่ลอยเกิดไม่มีอยู่นั่นเองในที่สุดก็ได้มีการแสดงโต้ตอบโดยข้อเปรียบเทียบ อ, อุปมาอุปไมเป็นอันมากซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไปเฉพาะในตอนนี้มีเรื่องที่น่าศึกษาอยู่หลายประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือระบบ การบริหารบ้านเมืองสมัยพุทธกาลท่านทั้งหลายถ้าหากเรามองดูอุไรยธรรมของโลกในสมัยโบราณก็มีอยู่สีแห่งคือประเทศปรีกประเทศอิคุปประเทศอินเดียและประเทศจีนในทั้ง4ประเทศนี้ถ้าเรามองดึงด้านความเจริญทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านศินลปะกรรม ด้านการปกครองด้านศาสนาด้านประชาด้านสังคมก็ถือว่าชมพูทวีปเขาก็เป็นหนึ่งในทุกด้านด้านการปกครองมีความเจริญก้าวหน้าไปจนถึงมีรูปของการปกครองในศี่ในสองรูปด้วยกันรูปแรกก็คือตั้งขึ้นเป็นสภาโดยกษัตริย์ในราชวงศ์นั้นๆร่วมประชุมปรึกษ า, ากิจการบ้านเมืองกัน สักยะกุลิยะวชีมันละปกครองในแนวนี้อีกแนวหนึ่งก็มีพระราชาเป็นประมุขเป็นผู้ใหญ่ซึ่งปกครองอยู่ในสีแคว้น ใ, นใหญ่ด้วยกันคืออังคะมะคตกับกาสีโกศนแล้วก็เ จ, เจดีวังศะแล้วก็แควนอวันตีการปกครองทั้งสองรูปแบบนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าข้างบนนั้น แนวหนึ่งเป็นสภาตลอดสายมาจากตําบลมาเลยจนถึงสูงสุดมีสภาคามสภานิคมสภาชนบทสภาราชธถานีซึ่งเป็นการเลือกตั้งขึ้นมาอีกแนวหนึ่งถึงแม้จะมีพระราชาอยู่ข้างบนก็จริงแต่ว่าแนวข้างล่างก็เป็นรูปของสภา และกฎเกณฑ์ของสภาก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่านับถือมากเช่นสมาชิกที่ จ, จะเข้าประชุมสภานั้นจะขาดไม่ได้ใครขาดประชุมคราวหนึ่งต้องถูกปรับถึงห้าสิบกหาพนะหรือไม่จะเงินจำนวนน้อยแล้วก็มีหลักเกณฑ์ว่าในสภาใดที่ไม่มีสัตว์ปุรุษสภานั้นไม่ชื่อว่าสภา คนที่พูดจาไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสัตว์บุรุษนี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ในตอนหลังเอว ก, กลายเป็นหลักที่น่าศึกษามากในแง่ของการบริหารว่ามันเป็นพัฒนาการที่ถึงจุดสุดยอดอยู่คราวหนึ่งมันเหมือนขึ้นขึ้นสะพานถึงจุดสุดยอดแล้วก็เริ่มต่ำลงเพราะในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะในด้านจิตใจ ดูไปดูมาเราก็พัฒนาการไปไม่ถึงจุดที่ท่านเคยถึงมาแล้วโดวยเฉพาอะอย่างยิ่งในปัจจุบันกันในพุทธสมัยพระเจ้าปั ญ, ญาสินั้นก็รับหน้าที่บริหารระดับที่เรียกว่าเป็นเมืองเป็นเมืองประเทศสาชแต่ว่าอยู่ในปกครองของโกศลมันไม่ถึงกับประเทศราชทีเดียวค่าก็เจ้าเมือง หรือสมัยก่อนก็เป็นเทษาอะไรนี่แต่ความคิดเห็นของท่านวิปริตมาตั้งแต่ต้นที่เราเรียกว่าเป็นความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิเป็นความเห็นที่น่าสังเกตแล้วพิจารณาเป็นอย่างมากสาหรับพุทธศาสนิกก็คือว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงที่ไหนก็ตามถ้าพูดถึง10ข้อแล้วจะพูดอย่างนี้ทุกที เมื่อเราลองนับดูจะเห็นว่าเป็นความเห็นผิดในเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัตรทั้งหมดเลยคือหนึ่งเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลสองการบูชาไม่มีผลสามพิธีกรรมบวงการบวงสวงต่างๆไม่มีผลสี่มารดาไม่มี5บิดาไม่มี6กไอหกโลกนี้ไม่มีเจดโลกอื่นไม่มี8 ธรรมนธาพรามที่ประพฤติดีประพฤติชอบคือคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นไม่มีแล้วผู้ที่จะจี้แจงแสดงโลกนี้และโลกอื่นให้คนก็เข้าใจก็ไม่มีสัตว์ลอยเกิดไม่มีอปปุปปาติกะสัตว์นี่ไม่มีจะทรงแสดงแนวนี้ตลอดคุณท่านจะเห็นว่าสามข้อแรกก็คือพูดถึงเรื่องกรรม การให้ฐานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลเป็นการปฏิเสธกรรมมารดาไม่มีบิดาไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะฮะไม่มีคุณความดีไอ้มีก็มีแต่ว่าไม่มีคุณความดีไม่มีอุปการะคุณนี่ก็คือปฏิเสธกรรมโลกหน้าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีเป็นการปฏิเสธสังสารวัตรคนประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีเป็นการปฏิเสธกรรม แล้วคนที่จะสามารถชี้แจงแสดงเหตุแสดงผลต่างๆไม่มีก็ปฏิเสธกรรมโอปปาติกะไม่มีปฏิเสธสังสารวัตรให้ลองสังเกตว่าปฏิเสธอยู่สองเรื่องซึ่งทั้งสองเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดสรุปด้วยประญาตทั้งสองเรื่องในเรื่องสังสารวัตรพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยปุเพนิวาสานุสติยานซึ่งจงบรรลุในปฐมยามแห่งราตรีที่จะจัดสรุปที่จัดสรุป เรื่องของกรรมทรงรู้ด้วยจุตูปปาฏิยานที่ทรงจัดสรู้ในมัชชิมยามแห่งราตรีหลักตรงนี้เป็นหลักที่ชาวพุทธจะต้องจับไปให้แม่นนลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการกระทำความดีของบุคคลทั้งหลายไม่ว่าในรูปของวัตคามีกุศลคือกุศลที่สาหรับคนยังแวกว่าอยู่ในสังสารวัฏ หรือวิวัตรกรมมีกุศลก็ต้องอาศัยพื้นฐานจากต ร, ตรงนี้ไปความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิของท่านปายาสิท่านมีเพียงสามข้อโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีซึ่งพระกุมารกัสสะก็ได้แสดงชี้แจงไปโดยลำดับที่จะกล่าวต่อไปแต่มีข้อที่ควรศึกษาจาก ชีวิตของพระกุมารกัสสะเพื่อเป็นฐานในการหาความเข้าใจที่สืบต่อจากไปต่อจากที่ท่านแสดงในตอนหลังนะครับพระกุมารกัสสะนั้นเป็นพระเถระในยุคหลังถือถ้าเราคํานวณตามอายุของท่านแล้วน่าจะเป็นปลายพุทธสมัยนะครเพราะว่าแม่ของท่านเป็นภิกษุณีแม่ของท่านแต่งงานใหม่ๆ แล้วก็เกิดอยากจะบวชมาตั้งแต่ก่อนแต่งงา น, นแต่พ่อแม่ไม่ยอมก็ขอให้แต่งงานไปก่อนเมื่อท่านแต่งงานแล้วก็ยังขอร้องสามีกจะขอบวชสามีเป็นคนดีก็อนุญาตให้บวชแล้วก็นำไปมอบหมายไว้ในสำนักของพระภิกษุณีเมื่อท่านได้บวชปรากฏว่ามีคันอ่อนๆมานี่ก็ไม่รู้กันนะ บวปายก็คันก็โตขึ้นัวขึ้นก็มีปัญหาทันทีเลยว่าภิกษุณีมีคันมีการโจดทวงมีการกล่าวขานมีการกระซิบกระซาบกันเป็นการใหญ่เลยคณะสงฆ์ก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนท่านเป็นภิกษุณีแต่อยู่ทั้งฝ่ายพระเทวทัตพอดีพระเทวทัตก็ตัดสินคโครมเลยไม่ต้องสอบบอกให้สึกน่เคร่งมาก ต่อลงมาภิกษุณีแกก็บอกว่าแกไม่ได้บวชอุทิตพระเทวทัตแกบวชอุทิตพระพุทธเจ้าถ้าคนจะให้ศึกได้ก็มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระพเจ้าก็เลยตั้งกรรมการขึ้นสอบโดยมีกรรมการทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะผู้ชายก็มีท่านนาณาธบินิกะเศรษฐีผู้หญิงก็มีนางวิสาขาเป็นหัวหน้ามีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นประธานแล้วก็พระอุบาลีเป็นขวัยพระก็ตั้งรูปกรรมการสอบสวน แต่คนที่เกี่ยวข้องมากจริงๆก็คือนางวิสาขานะครับพร ะ, พระสอบสวนภิกษุณีปรากฏว่านับเดือนวันปีแล้วก็ภิกษุณีท่านทองมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วก็เป็นนางวายุติก็อยู่คลอดอะไรเรียบร้อยในสำนักของภิกษุณีแต่พอเป็นแม่ก็รักลูกจิตลูก ก็ต้องเลี้ยงดูใจใส่ลูกอยู่พระเจ้าประเสริฐนิโคโสนไปเยี่ยมก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเลยขอไปเลี้ยงเป็นราชโอรสบุญธรรมจึงได้ชื่อว่ากูมารากััสปะคือกัะศปะที่อยู่ในฐานะของบุญบุญธรรมของพระเจ้าแผ่นดินันั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาได้ศึกษาชีวรประวัติของตัวเองแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสลด ก็เลยขอบวชเป็นสามเณรเมื่อบวชเป็นสามเณรต่อมาก็อุปสมบทเป็นพระแล้วก็ตั้นอนาคามีพรภมท่านหนึ่งได้มาตั้งปัญหาให้ตอบเป็นเชิงปริศนาธรรมที่อาามาได้เคยอธิบายมาแล้วในเรื่องจอมปลวกคือว่ามีกระสูตหรือการศึกษาร่างกายแบบจอมปลวกสิบภาคลําดับได้กันท่านควาธมธรรมะแล้วก็บรรลุมรคล คือฟังคำเฉลยในพุทธสํานักนะฮะคนถามนั้นเป็นอนาคามีพรมแต่ว่าท่านก็ไม่ตอบหรอกพระกุมารกัณสปะก็นำมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเฉลยโดยลำดับเมื่อท่านปฏิบัติตามไปแล้วก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ในตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นถึงรูปลักษณะของการทางาน ที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้คือมีปัญหาทางศาสนานั้นไม่ใช่ให้พระแก้อย่างเดียวคยให้ชาวบ้านมาแก้ด้วยในกรณีภิกษุณีมีขันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนรับรู้ในการทำงานของพระอุบาสกอุบาสิกาสมัยพระพุทธเจ้าก็ผูกพันกันผูกพันกับพระพุทธเจ้าผูกพันกับสถาบันสง แม้ในกรณีอื่นเช่นในคราวกรณีภิกษุชาวเมืองโกสมพีท่านเดื้อท่านทะเลาะกันแบ่งเอาเป็นสองฝักสองฝ่ายจนพระพุทธเจ้าเสด็จมาห้ามเองก็ไม่ฟังท่านตาลายก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าต้องเสด็จเข้าไปอยู่ในป่าที่ท่านทั้งหลายเคยเห็นพระพุทรูปปางหนึ่งที่มีช้างอยู่กับลิงฮะจริงก็ประจานพระพอสมควรเหมือนกัน บางทีขนาดพระพุทธเจ้าก็อยู่ร่วมกับพระไม่ได้ก็อยู่กับลิงยังดีกว่าอยู่กับลิงกับช้างได้ทั้งสามเดือนก็เป็นตัวอย่างที่เรามองให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าแือบางครั้งบางคราวคนเราถ้าตกอยู่ในความดื้อรั้นความถือดีการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งแต่อยู่กับสัตว์จะยัดยงดีกว่าจะอยู่กับช้างกับลิงไจะยังดีกว่ามันมีแต่ความวุ่นวาย ปรากฏว่าเมื่อพระมาถึงจุดนี้ชาวบ้านก็ต้องสอดโครมเข้าไปเลยคือบอยขอดไม่ยอมตักบาทพระที่ทะเลาะกันชาวบ้านไม่ยอมตักบาทเป็นสร้างความสํานึกก็เกิดขึ้นแก่ท่านพอออกพรรษาท่านเหล่านี้ก่อนจะออกพรรษาแล้วท่านสํานึกพอเข้าไปในจะไปข้าวพระพุทธเจ้าขอขมาโทษที่ปเทศตะวันเนี่ยอนาถบินทิกาเศรษฐีออกขวางจะไม่เข้าวัด ถือว่าเป็นพระที่ไม่เคารพเชื่อฟังพระพุทธเจ้านี่เราจะเห็นว่าชาวบ้านจะเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในกรณีที่มีปัญหาเนี่ยดี๋ยไม่ใจปล่อยโดยลําพังกันเพราะว่าพุทธบรศาัทนั้นไม่มีเฉพาะพระปัญหาที่น่าหวงอย่างยิ่งในหมู่ชาวพุทธเราปัจจุบันคือมองว่าพระพุทธศาสนาคือพระภิกุ นี่เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากระดับกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเองอยังมองอย่างนั้นนะมองพระพุทธศาสนาคือพระพอพูดเรื่องพระพุทธศาสนาจะพูดพระทันทีเลยพระนั้นเป็นเพียงขาเก้าอี้ขาเดียวเท่านั้นในเก้าอีส้สขาครับอย่าคิดว่าพระพุทธศาสนาคือพระถ้าคิดอย่างนี้แล้วนั้นทุกอย่างจะโยนให้พระเหมือนกับการที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของเยาวชน เราจะเห็นว่าเราก็โยนกลองกันคือคนหนึ่งก็ถือว่าลูกใครใครต้องรับผิดชอบบ้าพ่อแม่ก็ถือว่าส่งไปให้เรียนโรงเรียนแล้วครูต้องรับผิดชอบบ้ารัฐบาลต้องรับผิดชอบบ้างพระต้องรับผิดชอบบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยคือโยนกันหมดเลยครแตาทา่ทางที่เรื่องซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบแปลว่าเกิดโยนกันและในที่สุดก็มาประชุมสัมมนาด่าเด็กกัน เด็กมีความประพฤติไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่มีปัญหาตัวเองไนงะในกรณนนี้แล้วก็ไปโทษเด็กไปตำหนิเด็กงานพระศาสนามีลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่งานที่โยนกลองแต่เป็นงานซึ่งทุกฝ่ายที่มีความสมนึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจะต้องช่วยกันอย่างในกรณีนี้ที่ที่จริงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่พระพุทธเจ้าแสดงรูปของการทางานว่าเมื่อมีปัญหานี้ต้องช่วยกัน เพราะไอ้ขวคราวนั้นมันไม่ได้อยู่ในวัดนะครขาวคราวมันออกไปนอกวัดที่นอกวัดนั้นชาวบ้านจะต้องออกไปแก้ปัญหาเหล่านั้นจึงอยู่ในฐานะที่เหมาะสมในการทํางานแบบนั้นแล้วก็เอาเอาคนสาคัญสาคัญที่คนเชื่อถือได้นะฮะนางบินจิกาเศรษฐีนางวิสาขาพระเจ้าประเกโกโสริฐในกุศลนี่คือแต่ละองค์ก็แต่ละท่านก็ยอดทั้งนั้นเราเข้ามาทํางานแบบนี้รับผิดชอบไป มีประการหนึ่งทีนี้อีกประการหนึ่งนั้นการตัดสินวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆเราเห็นได้ชัดเลยคนระดับพระพุทธเจ้ากับคนระดับพระเทวทัตเนี่ยคือมันเป็นฟ้ากับธุลีดินพระเทวทัตนั้นพอมีปัญหาตัดสินครมโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยให้ศึกแล้วแต่พอถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้น คือสิ่งทั้งหลายมันต้องมีสาเหตุก็ต้องันต้องถ้าจะแก้ต้องแก้ที่ศึกษาสาวถึงถึงเหตุไอ้มันท่องแท้จะพูดถึงผลกันได้ถูกเพราะการที่พิษุณีท่านมีคันนั้นเป็นเพียงผลนั้นแต่เหตุมันอยู่ตรงไหนต้องหากันให้เจอสักกันไม่จะ่ปนิ่งๆจะไปตัดสินท่านศึกเลนี่คือปัญหาอีกประการหนึ่งที่ที่น่าเป็นบทเรียนสาหรับชาวพุทธเราเอามาเองเคยสังเกตเวลาไปต่อปัญหาในที่ใด โดยเฉพาะพวกครูเนี่ยมีปัญหาเกลียวกล้ารุนแรงมากคือดูพระเป็นเด็กในชั้นเรียนเนี่ยเห็นพระผิดอะไรเราต้องสึกต้องไล่ต้องยัางนั่นให้อยู่ในศาสนาไม่ได้เอามาก็บอกว่าไอมาตรการในการศึกนี่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปจับสึกท่านถ้าให้ผิดตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกให้สึกเราไม่มีสิทธิ์เราไม่ใช่เป็นเจ้าของศาสนานี้ ได้ความผิดบางอย่างไม่มีอะไรสมมติว่าเนี่ยที่ที่ที่ชาวบ้านตำหนิกันมากเช่นว่าพระไปไปยืนล้อมวงบินธบาตตามอะไระแถวแถวชิงชาอะไรตัวอะเนี่จะให้ศึกเลยก็วิธีแก้ง่ายในเดียวโยมอย่าไปตักแตดียวพระจะไปบินยังไงพระไปบินบาต ท, ที่คนก็ตักบาตอ่ะมันปัญหามันเป็นต้องเรื่องเรื่องที่ต้องร่วมกันช่วยแก้ไขไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปจับพระศึกถ้าโยมไม่ไปตักพระ ไ, ไปบินก็เท่านั้นเองอะ่ะ ปัญหาง่ายๆมากนะฮะแต่เราก็พยายามที่จะโยนมาที่พระเนี่ยคนระดับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยคิดจะให้จับศึกระขนาดนี้ยมันู้วผิดตรงไหนฮะติดในกรณีไม่เรียบร้อยเขาไม่ฆ่ากันหรอกคดีแบบเนี้ยแต่ั้นมันก็ฆ่าคนตายหมดโลกแล้วปัญหามันมีไว้มาตรการในการตัดสินมันความหนักความเบาของความผิดเนี่ยมันมีอยู่ในการตัดสินคนไม่ใช่วันนี้นิ่งครวครามจะเอาทำอย่างนั้นด้วย เการวินิจฉัยค ด, ดีโดยผุนผันขาดการพินิจพิจนารณาเนี่ยเป็นปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรดังนั้นคนที่อยู่ในฐานะอะไรก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยตัดสินเนี่ยจำเป็นจะต้องรักษาใจของตัวเองเอาไว้คือต้องรู้เรื่องเหล่านั้นโดยละเอียดถ้ายังไม่รู้ต้องศึกษาก่อนจะผีพรราำตัดสินปัญหาอะไรลงไป โดยผุนผันนะฮะตะัดสินโดยผุนผันเราดู ต, ตัวตัวอย่างการตัดสินคดีโดยผุนผันที่อามาเคยยกให้ฟังครางตอนพูดเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรท่านพันธุลเสนาบดีของพระเจ้าประเสณที่กุศลเป็นโอรสของกรรษัตริย์ฤิ์จวีของแคว้นวัชิร์นะฮะคือมีฐานะเป็นพระราชา แต่พอรับเพื่อนมายอมรับราชการเป็นเสนาบดีของพระเจ้าปรเสนที่โกศลเนื่องจากจบมาจากสานักตกศิลามีฝีมือความสามารถดีเด่นแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตสูงจนกลายเป็นอุปสรรคฝากหนามของข้าราชการคอรัปชันต่างๆตรงนี้ส่งคนเข้าไปเสี้ยมสอนยุยงสร้างเรื่องพระเจ้าปเสนที่โศลคลยเขวสับสนหมดเลยจนกลัวว่า พันธุละกับลูกชายจับปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดอํานาจของท่านเพราะมีลูกลูกชายเป็นนายทหารนะฮวางแผนส่งให้ไปปราบโจพรพอพวกนี้หลับแล้วสั่งทหารอีกพวกเหมือนข้าหมดเลยลูกชายสิบชาย ส, ส, สิบสิบศูบบคนแล้วท่านพันธุละเสนาบดีตายหมดแล้วต่อไปท่านก็มีแต่ทุกทรมา น, น พอรู้ข่าวความจริงข้าวมีแต่ทุกขโมนัน้ที่พลาดไปผุนผันไปไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้นี่คือตัวอย่างในการตัดสินว่าถ้าผุนผันแล้วเป็นเรื่องที่เสียหายแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านสัพพันยูจริงๆเลยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ลักษณะของพระพุทธเจ้าจึงเหมือนกับเรียกว่าราชเสี็นะ ราชสีถ้าเขาจับสัตว์เนี่ยเขาจับแบบราชสีจับไม่ใช่เรื่องเล็กสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ตามตั้งจับแบบราชสีการทํางานของพระพุทธเจ้าไม่ว่าในชนั้นของการเทศในชนั้นของการกําหนดเรื่องราต่างๆตัง้งคณะบุคคลแตง่งตั้งบุคคลยกย่องบุคคลจะทําแบบราชสีหมดเลยคือทําอย่างลีลาของพระพุทธเจ้ายัางมีความรู้มีเหตุมีผลเขาเรียวกว่าการณวสีโกคือจะอยู่ในอํานาจของเหตุหมดเลย ปัญหาบางอย่างที่คนในสมัยปัจจุบันบางคนเนี่ยมาเคยได้พบปัญหาบ่อยพ ร, ระพุทธเจ้านั้นไม่มีความกตันยุสัตย์รู้แล้วจะไปสอนพ่อเสีย น, น่อยก็ไม่ไปต้องปล่อยให้พระเจ้าสุดโทธนาต้องส่งคนมานิมนต์กันต่างมากมายอันนี้ก็เรียกว่าผีเจาะปากให้พูดก็พูดเรื่อยไปไม่ได้คิดอะไรเลยคือคนระดับพระพุทธเจ้ารอสามัญสำนึกเราไปคิดเนี่ยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทํางานด้วยอํานาจของเหตุคือการจะไปสอย มะม่วงที่ยังไม่สุกเนี่ยถอยผลไม้ที่ยังไม่สุกมันก็เสียเวลาการเทศสั่งสอนคนก็เทศตามนาดบารมีคือใครลำดับก่อนลำดับหลังในพระเจ้าทันตรวจของท่านทั้งตรวจของท่านใครถึงก่อนถึงหลังก็เรียงลำดับไปซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในการเทศนั้นเทศคราวแรกเดินขึ้นเหนือไปตั้งถไลตั้งสองร้อยกว่ากิโลเพราะเทศคราวต่อมามาปลดชะดินนั้น ก็อยู่ได้ที่พระเจ้าจสัตวรูสร้สัก3ากิโลได้แต่ทําไมไม่เทศแต่ก่อนใกล้สบายดีก็ยังไม่ถึงอะ่ะมันยังไม่สุกอะ่ะไปถอยลงมาได้ยังไงก็ต้องสุกบารมีนั้นต้องเต็มก่อนถึงจะเทศจะสอนกันนี่คือพระพุทธเจ้าท่านทางานก็ท่านอย่างนี้เป็นการณว์วสีโกเขาเรียกว่าอยู่ในอานาจของเหตุคือทําตามเหตุใครมีเหตุมีปัจจัยจะบรรลุมรรคผลได้จะกลายยังไงก็ไป แต่ถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยอยู่ใกล้ๆก็ไม่ไปเพราะจะทำงานไปตามหน้าของเหตเออุทีนี้อีกประการหนึ่งคือเรื่องอนาคามิพรมที่มาตอบปัญหามาถามปัญหาแก่พระกุมารกัจสปมันแสดงให้เห็นถึงอะไรอีกย่างหนึ่งคือบารมีธรรมที่คนสร้างเสริมมาปรุมมาและความผูกพันกันในด้านความดี คืออนาคามีพรมท่านนี้ได้มาแนะนำคนสามคนคือพายะทารุจิรยะซึ่งหลงตัวว่าเป็นพระอระหันต์เดินการนุ่งเปลือกไม้ก็แนะนำหมาฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบอกพระกุมารกัสสะให้ไปถามปัญหาสิบห้าข้อแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็มาแนะนำสัพพยะปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาให้มาฝ้าพระพุทธเจ้า ท่านช่วยคนอยู่3มคนทีนี้การเรียบเรียงเรื่องราวในทางศาสนาเวลาท่านต้องการให้เหตุผลซึ่งตามปกติเราไม่เคยเออกมากเผยแพร่ะนะเพราะคมพีเป็นเยอะท่านจะโยงลงไปว่าทําไมท่านพรหมเนี่ยอนาคามีพรหมท่านนี้จึงต้องมาหาคนสามคนนี้แต่ก็ย้อนอดีตให้ดูว่าใ nice, นอดีตกาลนานไกลสมัยที่ประกาศสัปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนรุตเจ้าเรานะฮะ ศาสนาของพระองค์สิน้นคือศาสนาพระพุทธเจ้านี่มีผิดกันอยู่สองแนวนะฮะคือคื อ, ค, อคือไม่ตรงกันอยู่สองเรื่องเรื่องเรื่องธรรมะนี่ตรงกันหมดแต่ว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันคือพระพุทธเจ้าบางองค์จะบัญญัติพระวินัยเอาไว้เป็นหลักในการควบคุมบริหารหมู่คณะที่จะเกิดสืบต่อกันมาได้ตลอดเพราะงั้นหลังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วศาสนาก็สืบต่อได้ พระมีพระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้เป็นมาเอ๊ะไม่ใช่พระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้เป็นหลักในการควบคุมความประพฤติของภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่รูุ้ทธเจ้าบางองค์ท่านไม่บัญญัติไว้คืออย่าลืมว่าวินัยนั้นเป็นเรียกว่าพุทธานาเป็นอำนาจของพระพุทธเจ้าที่จะบัญญัติแต่ธรรมานั้นเป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบแล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลก วินัยจึงเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุตามปัจจัยสมัยพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกั น, นะฮะไอ้ข้อเ น, นี้ยทําในเมืองนี้ผิดทําในอีกเมืองหนึ่งไม่ผิดก็เรียกว่าเทสะบัญญัติเจนยกตัวอย่างว่าอยู่ในประเทศอินเดียสิบห้าวันยังอาบน้ำได้หนึ่งเมืองไทยอาบวันหนึงยี่สิบปนก็ได้เรียกว่าบัญญัติเป็นถิน่นเป็นที่เป็นการเป็นบุคคลเป็นกรณีไปแต่ธรรมะนี่ไม่เปลี่ยนนะฮะ ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ทุกองค์จะต้องสอนเหมือนกันพระกัสสปะสมาสัมพุทธเจ้าทําในบัญญัติพระวินัยไว้เพราะงั้นพอสิ้นยุคของพระองค์การจําทรงพระวินัยก็หลักปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนแนะนําเอาไว้มันก็เสื่อมถอยไปพระก็เริ่มเละเลยแล้วมีพระอยู่หองค์พอเห็นว่าไอท้ทะาเละอย่างนี้อยู่ไม่ไหวทํำยังไองถึงใจแก้ได้ในที่สุ ด, ม, ดมันแก้ไม่ได้เมื่อแก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ตัวเอง ตกลงตัดสินใจห้าองค์ขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็ผลักแต่บันไดที่ปีนขึ้นไปนะชิงแล้วก็ภูเขาลาดชันหมดมันก็ลงไม่ได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมคือจเจริญกรรมฐานนี่เองฮะโดยอธิษฐานใจว่าถ้าไม่บรรลุมรรคผลนะเนี่ยคือจะไม่กินข้าวกันเหมือนกับเจ้าตากสินทีเมืองจันทนระเอาอย่างนั้นกัน ก็ในที่สุดวันแรกนะฮะองค์เทระถึงหัวหน้าบรรลุอรหัตเป็นพระอราหารันตงกิจชาท่านก็ไปบินธบาติท่านไปได้พระอรหันท่านไปได้ท่านลงได้เอามาให้อีกสี่รูปฉันสี่รูปไม่ฉันบอกไม่ได้ตกลงกันไว้เพราะถ้าองค์หนึ่งบรรลุอรหัตแล้วอีกสี่องค์จะฉันไม่มีในกติกาก็เลยไม่เอาพอวันที่สององค์ที่สอง บรรลุเป็นอนาคามีท่านก็ไปบินทบาตมาให้ฉัน อ, อีกอีกสามองค์บอกว่าก็ไม่ได้ตกลงกันว่าถ้าองค์ที่สองบินมาแล้วฉันได้คือไม่มีข้อตกลงก็เลยไม่ฉันอีกในฉันก็ตายเราตกลงว่าในห้าองค์นี้นะฮะองค์หนึ่งบรรลุอรหันต์เป็นพระหันสิ้นพบสิ้นชาติไม่มีการอุบัติบังเกิดในรูปแบบใดก็ตามนะฮะแต่ว่าอนุภาพนั้นยังมี คือเราต้องแยกให้ออกว่าอนุภาพนั้นมีแต่ว่าการอุบัติในภพไม่จะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามไม่มีภพนะครนัตติดานิบนุณพภาวพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบัตินี้ภพใหม่ไม่ได้มีคือภพจะเป็นเมืองแก้วเมืองวิจิตพิสดาร ย, ยังไงไม่มีทั้งนั้นเน่ยสมบพระอ า, าระหันที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นพระอนาคามีเท่านั้นนะฮะคนอื่นไปเกิดไม่ได้แต่ถ้าบรรลุอนาคามีแล้วใครจะยากจนเกินใจยังไงก็ไปเกิดได้ เพราะเป็นการกําหนดด้วยคุณสมบัติคือคุณธรรมภายในใจไม่ใช่กำหนดด้วยปัจจัยภายนอกเหมือนโรงแรมบ้านเราโรงแรมชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสาอันนั้นกําหนดด้วยเงินแต่นี้กําหนดด้วยคุณธรรมซึ่งคุณธรรมนั้นคนจนก็สร้างได้คนมีก็สร้างได้พระก็สร้างได้ชาวบ้านก็สร้างได้นั้นก็ไปอยู่ได้ในอนาคามีพรมเป็นถ้าถ้าเป็นพระนาคามีแล้วก็บรรลุในสุขภาวะท่าน ปรนาคามีในสุทาวาสนี่อายุท่านยืนมากอายุท่านยืนได้เก่นอย่างที่มาเคยเล่าให้ฟังนานแล้วแต่ตอนบรรยายข้างล่างเนี่ยว่าไปพบในวิมานวัตถุอยู่เรื่องเทพประบุตรตนหนึ่งนะฮะพระโมคคลลานะไปพบในชาติเนี้ยในใ น, ใ น, ใ, นในสมัยพุทธกาลเนี่ยแล้วกลับมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระเจ้าบอกว่าเราก็เคยพบเหมือนกันสมัยที่เราเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นพรามตนหนึ่งที่เทวดานําเที่ยวสวรรค์ฮะแต่มาลองไปเช็คดูว่าในสมัยนั้นน่ะพระพุทธเจ้าชื่ออะไรพระพุทธเจ้าชื่อสุมเมศชื่อสุมเมศเนี่ยนับย้อนพระพุทธเจ้าเราไปองค์ที่สิบหกโอยมันนานนะเกิดเกิดเป็นสวรรค์นี่นานนะเกิดซึ่งซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้เราจะได้ได้ฟังในเนี้ยในในใ น, ในปายาสิราชัญยสูตรเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยท่านจะแสดงเอาไว้ ก็ตกลงว่าอนาคามีพรมก็สามรูปนี้นะฮะสามรูปเนี้ยพระที่นั่งเสาตายไปสามองค์เนี่ยองค์หนึ่งก็มาเกิดเป็นพระบุมารกาัจสปะองค์หนึ่งก็มาเกิดเป็นลูกพ่อค้าเนื้อค้าขายสำเภาแล้วก็เรือแตกผ้าพรหมดเลยขึ้นฝั่งก็ไม่มีผ้าจะนุ่งท่านก็เปลือกไม้มาทํามาเย็บร้อยเป็นผ้านุ่ง คนก็นึกว่าท่านพระอารักท่านเป็นพระอาราหารเลยนับถือกันใหญ่พอนับถือมากมากข้าวในะท่านก็ลืมตัวนะฮะอันนึกว่าชักจะคลืมๆมันนึกว่าจะเป็นพระอาราหารนะจริงๆธนาคามีพร้มเห็นว่าเพื่อนชักจะหลงทางนะก็เลยก็ลงมาช่วยแนะนําเตือนให้สติบอกว่าท่านไม่ใช่พระอาราหารหรอกพระหันคือพระสมมาธัรมพุทธเจ้าเวลานีรประทับอยู่ที่ประเชตวันเมืองสาวัตถีให้นี่ไปเฝ้า พระนาคามพรมท่านรู้ว่าเพื่อนในกำมังอายุจะสิ้นด้วยก็เลยก็ท่านก็รีบมาแล้วมาเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุคือฟังกันลางถนนนะฮะฟังกลางถนนเลยท่านท่านท่านท่านเก่งมากนะฮะคือมาอ่านแล้วพอเห็นท่านก็ขนลุกเลยว่าท่านโอ้โหนี่คนมีบารมีนี่ท่านคิดของท่านอย่างนี้ พอมาถึงเดินพักขาวเดียวนะแล้วก็ทั้งเดินทั้งวิ่งมาเลยรีบมามาถึงไปถึงวัดเนี่ยที่ที่ยิงพระพุทธเจ้าท่านตรวจดูอุปนิสัยแล้วเห็นตั้งแต่ใกล้รุ่งแต่ว่าหลบออกไปบินธบัติจ้พอมาถึงประเชศตะวันเนี่ยสอบถามบอกว่าพระพุทธเจ้าบินธบัติจ้ท่านก็วิ่งตามเข้าไปใ น, ในบ้านในเมืองทําไมพระพุทธเจ้าต้องหลบไปเพื่อต้องเพิ่มสัตทินศีเนี่ย คือท่านลงตัวเป็นพระอรหันต์อยู่ไอ้ศรัทธามันเลยก็อ่อนเดี๋ยวกลัวจะมีพระอรหันต์ที่สองขึ้นมาก็าเพิ่มสัดสินรียให้สูงขึ้นเพื่อปรับอินทรีย์เพราะงั้นต้องต้องหลบไปก่อนแล้วท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่กลางท่านนันขอพระพุทธเจ้าเทศตอนนั้นปีติมันเกิดมากปีติเกิดนี่ไม่ใช้งานไม่ได้นะฮะปีติต้องถึงปัสตทิจก่อนถึงใช้งานได้ปีติมันฟูขึ้นเฉย ฟูขึ้นใจมันเอิบอิ่มเพลิดเพลินคล้ายๆคนดีใจเนี่ยบางทีพูดไม่เป็นภาษานะ่ดีใจมากๆเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเพราะมันเกิดมากเกินไปปีตีต้องข่มลงซะก่อนนะอยู่ที่ปสัสจัยจิตจึงจะเริ่มเป็นสมาธิได้พระเจ้ารับสางว่าเวลานี้บินณฑบาตอยู่ยังเทศไม่ได้เดยอะกลับจากบิณฑบาตไปก่อนท่านบอกว่าการที่จะรอให้กลับจากบิณฑบาตเนี่ยมันรอไม่ได้ คือไม่รู้ว่าชีวิตของข้าพระองค์และของพระองค์นี่จะจะอยู่ได้ถึงวันนั้นหรือเปล่าอยู่ถึงช่วงที่จะ ก, กลับจากบิณตบาบัตได้หรือเปล่านี่คือคนที่ไม่ประมาทท่านตั้งหลายจะเห็นว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องบารมีกระตุ้นเตือนให้พูดนะให้คิดคนก็ไม่คิดกันหรอกไอ้อย่างนั้นอ่ะคนธรรมดาสามัญก็ไม่คิดกันแต่คนระดับที่จะเป็นพระอหันต์ท่านคิดของท่านได้ขนาจะกลับไปบิณตบาบัตได้เสร็จกลับไปฉันข้าวในท่านยังไม่รู้ว่าความตายจะเกิดตรงนั้นก็ได้ อยอก่อนนั้นนะฮะรอไม่ได้นี่คือคือคืออะไรคือความเห็นไตรลักษณ์นะฮะความเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายเนี่ยมันที่จริงมันก็เป็นอย่างงั้นจริงๆแต่ว่าใจสามัญชนทั่วไปนี่ปรับขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้คิดลึกซึ้งขนาดนั้นดังนั้นบางทีพอตายไปแล้วลูกเต้าก็แย่งมรดกกันเพราะพ่อไม่ได้เตรียมตายไว้ ยูไม่ได้คิดว่าความตายมันจะเกิดอย่างนั้นก็รนึกว่าจะอยู่แก่ไปจน น, จ น, นั้นน่ะจนเต่าจนแก่ไปตายนี่คือตัวอย่างที่บารมีกระตุ้นเตือนให้คนคิดคนพูดคนเข้าใจปัญหาต่างๆอย่าลืมว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฟังเทศอะไรนะแต่ท่านคิดท่านได้และในสูตรพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะจะว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากก็ยากคือสอนแต่เพียงว่าเมื่อเห็นก็คิดว่าศัก์แต่ว่าเห็น เมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบมเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ปรุงต่อไม่ก่อให้เกิดเป็นอภิชาคือความอยากหรือโทมนัสความไม่พอใจความเสียใจพูดพูดเป็นไทยไทยกย็คืออย่ายินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองแต่ไม่เชิงสำรวมอินทรีย์นะมันเป็นสติสังวรมันสูงกว่าอินทรีย์ คือหมายความว่าสติจะตัดเห็นก็รูปก็สักแตวรูปเสียงก็สักแตวเสียงกลิ่นก็สักแต่วากลิ่นรสก็สักแตวรสสัมผัสก็สักแตวสัมผัสมันเป็นระดับอินทรีย์ระดับสติสังวรกับญาณสังวรญาณสังวรคือรู้สังวรด้วยความรู้สังวรด้วยความระลึกแล้วก็ตกไปจากจิตทันทีซึ่งในกรณีนี้หมายความว่าถ้าจะเป็นอารมณ์เป็นเชื้อให้เกิดกิเลสนะครับ ไม่ใช่เป็นเชื้อให้เกิดธรรมะไอ้คำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินทราบสักแต่ว่าทราบรู้สักแต่ว่ารู้นั้นเขาพูดในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นจะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะเพราะปัจจัยเกิดธรรมะมันก็ต้องได้ยินได้ทราบได้รู้เหมือนกันนะฮะได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้เหมือนกันทีนี้ท่านฟังตามแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ปรากฏว่าขอบวชที่จริงขอบวชท่านบวชก่อนพระกุมารกัสสปะนะฮะท่านท่านท่านตั้งเกิดมาก่อนสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายัางให้บวช ด, ด้วยเอหิภิกขุรับสั่งประโยคสั้นๆพอเธอจงเป็นภิกษุมาเธอทําอันเราก่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะจะจะรับสั่งแค่นี้แล้วก็บวชแต่ถ้าเป็น แต่ไม่เคยพบปุถุชนนะฮะถ้าเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไปจะรับสั่งต่อไปว่าเพื่อทำที่สุดที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดแล้วเพศของท่านก็จะกลับนี่เป็นเป็นเรื่องละเอียดนะครเป็นเรื่องละเอียดฟังแล้วไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเรามองดูไปศึกษาถึงเหตุปัจจัยที่ให้เกิดอย่างนี้มันมีองค์ประกอบอยู่ปรากฏว่าพระท่านพายาธุลิยะไม่มีองค์ประกอบนี้ พระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้ไปหาจีวรซะก่อนคือจีวรที่เกิดขึ้นโดยฤทธิ์มันเป็นเรื่องบุญฤทธิ์ถ้าคนไม่มีบุญฤทธิ์อยู่มันก็เกิดไม่ได้คือหมายความว่าเคยถวายผ้าจีวรมาเคยให้ผ้าเป็นทานมานะให้ผ้าเป็นฐานมาจึงจะเกิดเป็นจีวรที่สมเหตุดโดยฤทธิ์ได้แล้วท่านก็ไปไปหานะฮะแล้วก็ถูกโควิดตายพอถูกโควิดตายมันก็โยงมาอีกสักชาติหนึ่งนะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นในความสลับซับซ้อนในสังสารวัตรเนี่ยความสลับซับซ้อนของสังสารวัตรกักกรรมว่า น, นี่โยงกันทั้งสองสามชาตินะฮะการที่ท่านถูกโคผิดตายนั้นที่จริงไม่ใช่โคไม่ใช่โคผิดเองแต่ว่าเป็นเรียกยักษินีสิงโคโคตัวเนี้ยผิดพระผิดผิดพระรยบุคคลตาย3ามองค์กัน ตัวเดียวกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะไม่ใช่โคตัวเดียวกันแต่ว่ายักษีนีตนเดียวกันแต่สิงโคละตัวกันหิดหิดพระริยบุคคลตายไปท่านถูกโคหิดตายพระพุทธเจ้าก็แต่เด็กกราดจะบินถบาตก็เห็นศพท่านแล้วก็ให้พิสุหามไปแต่ที่วัดนะถือว่าเป็นพระแล้วนะถือเป็นพระแล้วแล้วเป็นพิกษุบริษัทธ์องค์นี้แปลกยังไม่ได้บวชที่จริงยังไม่ได้บวช เป็นพระอาหารหันต์ที่เลิ่อในทางตัดสรูปเร็วทีนี้เรื่องกรรมเรื่อกรรมของท่านนี่ก็คือกรรมของท่านอี ก, ก, อ ก, อ ท, อกท่านจะเห็นว่าบารมีที่เป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้ท่านได้มาฟ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมบรรลุอาหารหัสนั้นคือบารมีที่ท่านบวชในสมัยพระกัจจปะสมาส พ, พุทธเจ้าแต่ในขณะเดียวกันในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยคนเราทํากรรมสลับซับซ้อนดีบ้างไหมดีบ้างกรรมไล่ตามมาอย่างสุนัขไล่เนื้ออย่างที่เคยบอกมาในเรื่องม้ากรรมไม่พังกสุด ไอความดีของท่านก็พุ่งแรงเลยส่งถึงอรหันต์ความชั่วไลยมาทานันเหมือนกันก็ติดติดกันนะฮะก็ไล่หลังกันมาปรากฏว่าเป็นบาปกรรมของท่านที่เคยร่วมมือกับเพื่อนไปฆ่าญิงโสเพณีตายคือไปเที่ยว ก, กับหญิงโสเพณีแล้วก็กเบี้ยวฮะชักดาบชักดาบมันมีมานานแล้วก็เลย ไม่ใช่ชักดาบเฉยๆนะยังยังไปปล้นเขาฆ่าเขาด้วยฆ่าเขาด้วยแล้วก็ไปเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องมาดับมาด้วยแล้วโสเวณีคนนี้แกก็อาฆาตไปก่อนจะดับจิตว่าขอจองล่างจองผานคนทั้งสามคนนี้จนกว่าสิ้นพบสิ้นชาติกันเลยเป็นผูกอาฆาตเพราะงั้นท่านเองนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นพระหานี่หมดบุญหมดบาปนะฮะละบุญและบาปได้แต่ว่าเป็นการละบุญบาป ทั้งแต่บรรลุอรหัตนะอย่าคิดว่าไอ้บุญบาปในอดีตมันจะละได้ด้วยนะถ้ามันตามมันทานมันให้หมดอนอกจากว่าท่านจะนิพพานไปละได้เฉพาะว่าพอบรรลุปั๊บเนี่ยก็หมดบุญหมดบาปกันได้ทีนี้อดีตกรรมนั้นเราจะต้องรับทั้งดีและไม่ดีจานวนบาลีเขาเรียกวิบากขันคือหมายความมาขันเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือวิบากขันแต่พอจัดสรูปปั๊บเนี่ยก็ละได้ทั้งบุญทั้งบาปแล้ว คือจากวันตรัสรู้ไม่มีบุญไม่มีบาปอีกแล้วมีแต่กุศลแต่ว่าอดีตกรรมทั้งดีและไม่ดีของพระองค์เนี่ยยังตามมาให้ได้ตลอดระยะเวลาสี่ถึ ป, ปีนี้ให้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งดีไม่ดีซึ่งบางทีเรามองในแง่ของพุทธานุภาพพระสมัยนั้นหรือผู้บริษัทสมัยนั้นจะมองในแง่งพุทธานุภาพแต่ทรงสแสดงวัา น, นี้ไม่ใช่หรอกนี้เป็นบุญญาณุภาพ คือบุญในอดีตหรือบางทีก็เป็นผลกรรมในอดีตจะเล่าใ ห, ให้ฟังตลอดพระพุทธเจ้าท่านมีความบริสุทธิ์ท่านไม่ปิดบังครับผิดก็เล่าผลของความผิดก็เล่าผลของความถูกก็เล่าให้ฟังพระพายาธารุจิระเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของสังสารวัฏที่หมุนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงไว้สู่ต่างๆที่พูดมาให้ดูว่านี่มันมีลักษณะอย่างเนี้ยบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปแกก็ต้องทําหน้าที่ของแกและจาบใดที่มันยังไม่นิพพานจริงๆนะครับ คนเรายังต้องเจอผลเหล่านี้อยู่ถ้าแกไล่ทันนะแต่แกไล่ทันเราต้องเจอเหมือนสุนัขไล่เนื้อเป็นประเภทเขาเรียกอปาราประเวทนิยกรรมคือกรรมที่จะให้ผลสืบกันไปแกไล่กันไปด้วยทานตรงไหนแกกัดถ้าไม่ทันนะฮะหมายความว่าถ้าไม่ทันอย่างบุญบาปของพระองค์คุลิมานที่ท่านฆ่าคนเยอะๆนะมันไม่ไม่ทันเพราะท่านบรรลุอรหัตเป็นรหารแล้วก็นิพานไปไม่ไม่กี่ปีตอนยังหนุ่ม บาปบาปนั้นจึงตามมาไม่ทันแต่อย่างบาปตามทันก็ทันนะอย่างพระโมกคัลานะท่านทันเนี่ยเคยทุบตีพ่อแม่มาก็ถูกโจรทุบตีจตกระดูกแตกเย้ายะไปหมดเลยก็ทันก็ทันไอ้คนไม่ทันก็ไม่ทันถ้าท่านที่พานไปก่อนก็ไม่ทันก็คล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับคนที่ทําความปิดต้องอาญาแผ่นดินในบ้านในเมืองเราหรือบางทีมันก็ตามไม่ทันในชาตินี้คือจริงตายซะก่อน มันก็ต้องจำหนายคดีอรีบตายได้ก่อนก็ต้องจำหน่ายค ด, ดีก็ก ย, กยกเลิกกันไปแต่ว่ากรรมนี้มันก็กลายเป็นอะไรเป็นอุปปัชชะเวทยกรรมคือให้ผลในพวกต่อไปหรือเป็นอั ป, ปราประเวทยกรรมจะให้ผลในชาติสืบไปอย่างสุนัขไล่เนื้อแต่ว่าชาตินี้มันก็ยกย่อกันไปเพราะว่าวิบากฐานมันไม่เหลืออยู่นี่นะจะทำไงมันก็จบไปสมาพ า, ารหันนั้นถ้านิพพานะก็หมดสิ้นจริงๆหมดสิ้นจริงๆเล เพราะฉันเมื่อหมดทั้งบุญทั้งบาปทั้งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรเป็นเกิดแล้วนะฮะอย่าลืมว่าไม่มีพบมีชาติของพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็เป็นสัพพยปริภาชกนี้ก็เมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี้ต้องการตรงนี้เพื่อให้เพื่อชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นนะฮะว่าเรื่องสังสารวัฏ ม, มีความสลับซับซ้อนอย่างนี้แล้วคนที่มาเกื้อกูลกันเนี่ยมันไม่ใช่นิ่งๆเกื้อกูลแต่ว่าเกื้อกูลกันอย่างมีเหตุอย่างมีปัจจัย กนาคามีท่านนี้ที่มาช่วยภิกษุทั้ง3ารูปเนี่ยไม่ไม่ใช่คือช่วยสัพยาปริพาชคพายะธรุจิระกุมารกัสปะเนี่ยก็เป็นการช่วยด้วยอํานาจบุญกุศลที่กระทำร่วมกันไว้ในชาติพังก่อนจิตคิดอนุเคราะห์คือว่าเป็นเป็นอาจารย์อะเป็นเป็นข้าก็เป็นเป็นรุ่นพี่อะเป็นพระเถรารุ่นพี่ก็ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันด้วยมาเป็นสหายในการปฏิบัติธรรมกันมาตัวเองหลุดพ้นมาได้แต่ว่าเพื่อนอีกสามองค์ยังไม่หลุดพ้น ไอ้ความการุณาเนี่ยความกรุณาซึ่งฝังรากลึกมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ไม่ยอมกินข้าวมาแล้วนะท่านก็กรุณาของท่านแต่เมื่อสมองค์ไม่ยอมกินแล้วปฏิบัติไปก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรแต่อย่าลืมมาถึงแม้ไม่ได้บรรลุมันก็เหมือนกับการเก็บการสะสมตัวหนังสืออย่างที่เคยบอกบ่อยๆว่าตัวหนังสือก็ดีสมาธิก็ดีที่เรานั่งที่เราเก็บเราสะสมอยากคิดออกมาไม่ได้อะไร มันรอเวลามันเหมือนกับเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยเราสูตรไ อ, ไอ้พวกสารพิษอะไรต่างๆไอ้พวกมวลพิษมลภาวะเราสูดๆก็ไปก็ดูๆก็จะไม่มีอะไรนะฮะแต่คอยดูนานๆไปเราจะเห็นว่าสารพิษมันก่อตัวบรรสัม ส, สมมากพอแล้วแกก็สำแดงไอ้บุญกุศลมันก็มีลักษณะสังสมอย่างนั้นสังสมไปเรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆ, ๆพอถึงเวลาแกได้กำลังมากพอแกก็จะสำแดงตัว สมาธิก็ดีการศึกษาปริยัติธรรมก็ ด, กดีหรือบารมีธรรมก็ดีก็มีลักษณะแนวเดียวกันทั้งหมดทีนี้คนเราที่ออกมามีความผูกพันมีความเคารพนับถือการมีการสงเคราะห์นเคราะห์กันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความรักความเคารพนับถือเป็นเป็นต้นมันเกิดขึ้นในเหตุ2ออย่างอย่างแรกก็คือการอยู่ร่วมกันในไม่ใช่อยู่ร่วมกันในอดีต ภูเบวาสานิวาเสนะคืออยู่ร่วมกันในอดีตแล้วก็ปัจจุปันนาฮิเตนวาเกื้อกูลกันในปัจจุบันมีสองอย่างนะฮะความรักความเคารพความนับถือจะมีอยู่สองอย่างถ้าไม่มีสองอย่างนี้สักอย่างเดียวนี่ไม่มีทางไม่มีทางที่จะให้เกิดความรักความเคารพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้ามีสองอย่างบวกมันก็ดีนะมีสองอย่างบวกคือหมายความว่าอาศัย บนอดีตกับสร้างความเกื้อกูลขึ้นในปัจจุบันก็เป็นเกลียวที่กระชับให้แน่นขึ้นอย่างการเกื้อกูลของท่านเหล่านี้มันก็มีทั้ง2ฝ่ายคือทั้งทั้งอดีตและปัจจุบันทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือปัญหาของท่านปา ญ, ญาสิท่านปา ญ, ญาสินั้นท่านมองท่านตัดสินปัญหาโดยสามัญสำนึกของท่านและข้อมูลต่างๆที่ท่านเอามาใช้ก็เป็นข้อมูลที่ขำขำ เป็นข้อมูลที่ขำขำคือท่านตัดสินปัญหาว่าท่านไม่เห็นน่ะคือสรุปมปาพูดง่ายว่าท่านไม่เห็นท่านไม่เห็นท่านก็ปฏิเสธซึ่งพระเถระได้เชีย่ยวเห็นว่าแท้จริงแล้วไอ้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยเราจะพูดเห็นลงตัวลงไปทุกทีไม่ได้เพราะบางเรื่องนี่เราไม่เห็นแต่เรื่องนั้นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความจริงเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่นะฮะมีอยู่เป็นอยู่เช่นว่า เราจะถือว่าเราต้องต้องเห็นด้วยตาเสมอไปจึงเชื่อมันก็ไม่จริงครเพราะบางอย่างที่เราได้ยินด้วยหูบางอย่างเราสูดดมด้วยจมูกบางอย่างเราลิ้มด้วยลิ้นบางอย่างเราถูกต้องด้วยกายบางอย่างเราคิดด้วยใจบางอย่างเราอาศัยเหตุปัจจัยจากภายนอกมาเป็นอุปกรณ์ในการตัดสินวินิจฉัยเพราะาแหล่งของความเชื่อที่ชาวพุทธเราถือนะฮะคือท่าของพราหมณ์อย่างปรัชญาใน ย, ยัคเขาแสดงไว้นี่แหล่งความเชื่อมีเยอะ แต่เราเองเรารับสามแนวแตส่สามแนวนั้นคือวัตถุดิบที่จะนำมาย่อยหมายความว่ายอมรับในรูปของศรัทธาแต่ต้องใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์คราวแรกก็คือประจักษ์ประมาณการรู้ด้วยประสาทสัมผัสตาเหตุหูได้ยินจมูกสูดลมลิ้นในริมกายถูกต้องซึ่งจะถือว่าจริงแท้ไม่ได้เสมอไปนะอย่าคิดว่าจริงแท้ เพราะอะไรเพราะใ น, นง่ของการตัดสินปัญหาด้วยประสาทสัมผัสบางทีเราเหยียบเชือนกนรืว่า ง, งูก็ตกใจก็มีก็มีกันอยู่วไอ้ตาเรามันก่อนไม่ใช่แน่เสมอไปบางทีใส่ใส่แว่นเราอยังก็ไม่ค่อยไหวจะเอาอะไรประสาทตาเรานมันสู้สัตว์บางชนิดยังไม่ได้สู้อีแร้งยังไม่ได้จะบุกเราจมูกที่สุดกลิ่นเรายังสู้หมดไม่ได้เสู้สุนัขยังไม่ได้เลยพิสูจน์กลิ่นไม่จะเอาอะไรกันนักหนา ค, คือคือสรุป <passa cin th rà> ไอประสาทสัมผัสเราเนี่ยจะเอาจริงๆมันไม่ได้เก่งกาจอะไรไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่เราอาศัยเรามีปัญญาเรามีอุปกรณ์เข้าช่วยแต่ น, น, นั้นเองมีปัญญาสมบพิเคราะห์ขบเจาะสิ่งต่างๆเราพูดถึงว่าเอาหนึ่งต่อหนึ่งกันแล้วเราสู้สัตว์ไม่ได้ทุกกรณีตาเราก็สู้สัตว์บางชนิดไม่ได้หูเราก็สู้สัตว์บางชนิดไม่ได้จมูกเหมือนกันเราสู้สัตว์บางชนิดไม่ได้แต่อาศัยที่เรามีปัญญาเราจึงเหนือกว่าเขาหน่อย แต่เขาจะยอมรับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่เราพูดเราเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสาัตว์เนี่ยเราพูดเราเองนะเราพูดได้สัตว์มันพูดไม่ได้เลยเราก็มือเมตีขลุ่มอย่างงั้นเองสัตว์ก็ยอมรับเราหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่แน่พรอเราสร้างบ้านใหม่ๆนี้มดไปขึ้นอยู่เต็มแล้วมดแกอาจจะคิดเอ้ลูกน้องเรามาสร้างบ้านมาอยู่เราขึ้นมาอยู่ <laughs> เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกคิดกันยังไงในในในสังคมของฟงนี้เขาแต่เราก็พูดเอา นี่เขาเรียกว่าประจักษ์ประมาเนี่ยคือการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสไม่ใช่ข้อยุติว่าคือความจริงเพราะในความคิดของคนเราเราก็มีเนี่ยครอบคลดูหน้าซื้อผ้าดูเนื้ออจาไว้ใจทางจาวางใจคนจะจนใจเองอะไรเนี่ยก็แสดงว่า น, นี่เราสัมผัสไปประสาทสัมผัสทั้งหมดไปเชื่อได้ไหมลงสรุปเป็นร้อยปร์เซ็ได้บ้างก็ไม่ได้ไม่ใช่แหล่งของความเชื่อที่เป็นข้อยุติ จะเป็นแหล่งของการรับรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์อีกทีหนึ่ง น, นี่คือแนวจริงๆริเราจะเห็นว่าเราก็หลงประเด็นกันอยู่เรื่อยเลยหลงประเด็นกันอยู่นี่ไม่เห็นก็ไม่เชื่อไม่เห็นก็ไม่เชื่อซึ่งบ้างว่าจริงมีเยอะไปเราไม่เห็นแต่เราเชื่อประการที่สองนั้นเป็นการอนุมาณคือการคาดหมายอา้าวการมองจากจุดที่ปรากฏไปหาจุดที่ไม่ปรากฏซึ่งก็ไม่ใช่แน่เสมอไป เช่เราเห็นคนก็ยิ้มย้มแจ่มใสเราว่าคนนี้จิตใจก็สบายก็ไม่แน่บางทีเขาแสดงละครนะทะเลาะกับเมียมันที่บ้านนะมัแสดงละครเล่นอยู่ข้างนอกสบายออโต้รัสต์หน้าตายิ้มย้มแจ่มใสเดียมันก็ไม่แน่อีกแล้วไม่ใช่ข้อยุติแต่ว่าเราถือว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งในการวินิจฉัยตัดสินเท่านั้นอย่างสัมพรวนิจิกที่เขาบอกว่าที่ใดมีความที่นั่นมีไฟมันก็ไม่แน่อีกสเสมอไปเหมือนกันเราเคยเห็นถนนเปียกเพราะฝนมันตก เรานอนหลับตื่นขึ้ น, นมาเห็นถนนเปียกเราก็อนุมานว่าฝนตกมันก็ไม่แน่บางทีเทศบาลก็มาฉีดล้างถนนก็ได้นะก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเท่านั้นอย่าลืมว่าสิ่งทั้งหลายโดยประสาทสัมผัสของเราก็ดีโดยอนุมานก็ดีนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ยอมไ ม, ไม่ได้บอกว่าคือจริงแท้แล้วแต่เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินยอมรับอย่างน้อยที่สุดก็ยอมรับว่าท่านแสดงไว้อย่างนั้น ท่างง น, น, นาสแสดงไว้อย่างนั้นในในข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แต่น้อยเราก็ต้องยอมรับให้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหลักฐานตำหนักตำนาต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะเราจังหลายทั้งหลายจะเห็นได้ง่ายๆดูเหมือนจะเคยยกตัวอย่างฟังทีงนียอย่างพระนเรศวรเชิญพระหมหาอุปราชามาชนช้างกันเนี่ยใครได้ยินใครบอกไม่เชื่ออันนี้เราก็เชื่อตามตํารานะนะ เือตามตำนาแต่นั้นเดงตามหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่ท่านจดจารึกเอาไว้ก็ท่านนั้นเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้สัมผัสด้วยประสาททั้งห้าเลยแต่เรามานัสิการด้วยใจมานัสิการด้วยใจว่าไอเนี้ยมันมันมีหลักฐานตามประวัติศาสตร์ก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าจะต้องมีการชนช้างกันเพราะถ้าไม่เชิญชวนด้วยวาทะที่นิ่มนวลอย่างนั้นพระมหาอุปราชาท่านสั่งรุมสกรรมจะแย่แหละเราจะไปอยู่ในวงล้อมเขา ก็ต้องมีวิธีพูดนิ่มนวลในลักษณะที่แหวกทหารอื่นออกไปแล้วมาชนกับตัวต่อตัวเนี่ยเราจะมาอย่างนั้นพระนายีสวนตั้นคุงออกมาไม่ได้ครับเราก็มานักดิการเราก็เชื่อถึงว่าได้จริงใครได้เห็นได้ยินบ้างก็ไม่ได้เห็นได้ยินนี่คือแหล่งของความเชื่อเพราะนั้นการตัดสินปัญหาการลงมติสรุปของพระเจ้าปญาสิเนี่ยหือท่านพลาดมาตั้งแต่ฐานตั้งแต่ฐานความคิดเห็นแต่ว่าเอกจายฐานยังไงนั้นก็เห็นจะต้องยกยอดไปวันเสาร์หน้า เพราะว่าคนเราถ้ามันเริ่มที่ตรงผิดนะฮะเริ่มที่ผิดแล้วมันเดินผิดกับมันเรื่อยเลยปัญหาสำคัญว่าพื้นฐานของความเข้าใจในตอนต้นที่พระพุทธศาสนาเริ่มในสัมมาทิฏฐิไลสัมมาทิฏฐิอริยมรรคปยแปดเริ่มในสัมาทิฏฐิตพรไงพอสัมมาทิฏฐิมึงก็เลือกเดินทางมันเลือกถูกเลือกถูกต่อไปมันก็เดินถูกได้ แต่สัมมาทิฐิเนี่ยมันเหมือนกับประทิศที่จะส่องคอวิเคราะห์ขบเจาะเลือกเ พ, พ้นพิจาริาหาเหตุผลต่างๆตัวส่องเขาดูแล้วเราก็ตัดสินวินิจฉัยเรื่องนั้นไปตามสมควรแก่กรณีได้พระเจาา้าปัญญาสิพอท่านปักเขาท่านอย่างนั้นท่านก็พิสูจน์ในแนวความคิดที่ท่านว่าคือการพิสูจน์ว่าที่จริงเราดูวิธีของท่านซึ่งจะเล่าให้ฟังต่อไปนะฮะว่าไม่มีวิธีที่ทจริงก็เฉยะ อิธีเฉยวิธีที่ว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพิสูจน์นั้นคืออะไรโดยทำไปไม่รู้ลักษณะของสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับว่าคนหนุ่มบางพวกหนุ่มสาวสมัยนี้บางพวกเคยถามปัญหานังสษามหาวิทยาลัยเคยถามปัญหาว่าคือรู้พุทธศาสนาไม่น่าเชื่อมันมีแต่อภินิหาร มีแต่ไม่ไดีผานมากมายกายกองแต่แก้เขียนคําว่าอภินิหารนี่ไมียอดการันนะครมียอการันคำว่าหา น, นะรมียอดการันอาตมาบอ ก, ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะขนาดอภินิหารเขียนก็ยังไม่ถูกมาเลยควรจะรู้อะไรว่าอภินิหารคืออะไรครับขนาดเขียนสะกดมันยังไม่ถูกเลยแต่ค้านแล้วเราจะเห็นว่าค้านแล้วแล้วก็ปักใจฝังใจเอาเป็นอย่างนั้นนี่คือแนวที่พลาดกันตั้งแต่ต้นซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น พระเจ้าปยาสิทิ์มีแนวเดียวกันนะั้นคือท่านปากออกไปแล้วผลวดนท้ายท่านไม่รู้ไอสิ่งที่ไปเกิดคืออะไรมีลักษณะมีสภาวะอย่างไงมีองค์ประกอบอย่างไงตกลงไอการปฏิเสธนั้นเลยไม่รู้ปฏิเสธเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าเคยรับสั่งเป็นตัวอย่างว่าเหมือนกับชายหนุ่มคนหนึ่งอยากได้ขติยะนายรีคนหนึ่งรูปร่างสวยงามมาก ก็เขถามมาเป็นลูกใครไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ก็พอดีแหละมันก็น่าจะบ้าอยู่หรอกตอนอย่างนั้นเนี่ะคลุมคลั่งไปใหญ่เลยถามไปตามหาไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเ น, นเกี่ยวกับคนนี่แกอยากอยากจะได้เนี่ยพระเจ้าเล่าให้ฟังมาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยแกไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแต่แกก็อยากแล้วแล้วพอถามว่าอยากอะไรสิ่งนั้นเป็นยังไงไม่รู้อะไรนี่คือการ ไม่มีเหตุผลในการยืนยันในการปฏริเสธในการขวายคว้ายัางไงก็ตามพระยาปริยาส์นั้นก็มีแนวเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ปูพื้นเพื่อปรับให้ท่านทั้งหลายหเห็นเรื่องความวิจิตพิจารณ์ของกรรมของสังสารวาัฏว่ามันมีความสลับสะท้อนกันแบบนี้และเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยที่ทรงแสดงว่าถ้าเราเชื่อมโยงแล้วเราจะเห็นแนวมันก็เส้นทางต่างๆมันเชื่อมกันไปหมดเลย ทั้งบาปทั้งบุญปนคระการไปอิทธิพลของบา ร, รมีอิทธิพลของอาสวะมันสำแดงในชีวิตของคนในพฤติกรรมของคนอยู่ตลอดมันอยู่ที่ว่าการสังเกตการพินิจพิจารณาวันนี้ก็ข อ, อยุติได้เวลาเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุการ